พระธรรมเทศนาแผ่นที่เ4็ดสลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16บธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่ามาเพื่ออบรมใจอา้าวอาราธนาสินแต่เนี่ยพวกเรามาอยู่วัด ควรจะมีศีลห้านะแล้วสมาสมาสมทานศีลห้าก่อนมะยังพันเตวิสุงวิสุงนะพูดพร้อมกั น, นตั้งใจสมาทานศีลพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาเพื่ออบรมศีลธรรมจริยธรรม พอามาเข้ามาสู่วัดแล้วก็หลวงพ่อก็จะให้กล่าวคําไหว้พระเมื่อกล่าวทําไหว้พระเสร็จแล้วก็จะสมาทานศีลกล่าวคําไหว้พระก็คือเราสรรเสริญบุคคลที่เลิศประเสริฐกว่าเราคือพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้นําพระธรรมคําสอนมาประกาศเผยแพ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาฉะนั้นหลวงพ่อก็ให้พวกเรากราบกล่าวคำอาราธนาสินพระพ่อมาสู่วัดวาศาสนาก็ควรจะมีศินเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องคุ้มครองศินนี่คือบอกได้แล้วว่าเป็นคนดีในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาและศิลเนี่ยเป็น ผู้มีสินคือเป็นบุคคลดีในร ะ, นระดับหนึ่งในระดับต้นของผู้ที่มีสินประจำกายวาจาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกผู้มีสินห้าจะปิดอบายยภูมิไม่ตกนรกถ้าอยู่ในโลกของเราเนี่ยก็ว่าผู้มีสินห้าไม่ติดคุก ไม่ไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางพาอมีสินห้าเว้นเสียแต่หาเรื่องหาโทษใจแต่ผู้ใดก็ตามมีสินห้าแล้วผู้นั้นจะไม่ถลำไปในทางชั่วเพราะนั้นเรื่องสินห้าเป็นสินคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกตำบรรมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่วัิวาศาสนาจึง มีการไหว้พระแล้วก็สมาทานสิน่นอันดับแรกหลวงพ่อจะได้กล่าวนำว่านามโมนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือกล่าวว่านามโม คือนอบน้อมพระพุทธเจ้าทําไมเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเป็นผู้ได้ตัดจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นดีเป็นคนดีท่านผู้ดีท่านผู้เลิศประเสริฐเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมนะะึงคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระท่านเมื่อได้ตัดรู้แล้วท่านได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมามากมายถึงว่า 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ในขณะพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมออกมาประกาศบอกกล่าวพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร เมื่อพระสงฆ์นําพระธรรมออกมาประกาศพระศาสนาออกมาเอาพระธรรมออกมาประกาศให้กับพวกเราพวกเรารู้คุณค่าของพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไ ด, ย ด, งย ด, ยดงไ้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งยึดพระธรรมคําสอนเป็นที่เคารพสักการะบูชายึดพระสงฆ์เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาย่อมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เออนี่แหละอันนี้ก็คือที่แรกวันนมโนมนโมขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าแต่นี้นเราต่อมาเราก็กล่าวว่าพุทธังพระพุทธเจ้ามีความดีอย่างไรพุทธังอย่างที่หลวงพ่อได้กลา่าวธรรมัง่งพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าประโยชน์อย่างไรพระธรรมก็อยู่ในศินห้านี่แหละในกลุ่มพระธรรมนั้นสังขงั ง, ขงสังโคสังโคคือพระสงฆ์ได้นําพระธรรม มาประกาศเผยแผ่กับโวดทั้งสี่ห้าด้วยที่พระสงฆ์นำมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราย่อบพุทธังทำมังสังขังสรนางคัดฉามิและกรดูตียามปีพุทธังทำมังสังขังสรนางคัดฉามิกล่าวเป็นยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตาตียามปีพุทธังทำมังสังขังสรนางคัดฉามิ ข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึงยืนยันถึงสามครั้งาจากนั้นก็กล่าวเป็นองศ์สินปานาติปาตาเวรมณเสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่า เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งายอย่าฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเขาเราไปฆ่าพี่น้องญาติโกโหติกาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาฆ่าเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าฆ่ากันอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอินนาทานาเวรมะเน อย่าขโมยสิ่งของคนอื่นของเขาของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันเขากับเอมในรักสงวนสิ่งของวัตถุตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาติของเราเราก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเขามาขโมยพี่น้องพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไถ่ายเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเราไปทําให้คนอื่นเขาเขาเขาขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปขโมยสิ่งของของคนอื่นเขา ถึงจะเป็นของเล็กน้อยอืเราอย่าไปขโมยอย่าไปโลภของเขามาเป็นของตัวเองให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเป็นของเรา่ะถามว่าถ้าเป็นของเราถ้าเขารูปเอาอย่างนี้ขโมยเอาอย่างนี้เราเสียใจยไหมเสียใจยถ้าเราไปขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาเขาเสียใจยไหมเขาก็ไม่แพ้เรา คนนั้นให้มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันอยา่าขโมยของเขามาเป็นของตัวเองอันนี้ก็คือสินข้อที่หนึ่งอ๋ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงเห็นของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะลูกหลาน สามีภรรยาลูกหลานของเราเราเสียใจไม่เสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีบ่งสาคานาญาตเหมือนกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกบต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเขาโกหกเออบียดบัง ทรัพย์จมบัติของเขามาเป็นของตัวเองหรือว่าโกหกเขามันมีมากมายคําว่าโกหกคำนี้เนะ่ยโกหกเรื่องอาลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมากมายเรื่องโกหกคำนี้แต่ถึงยังไงเรารู้แก่ใจว่าคําว่าโกหกคำนั้นนะ่ะคือความไม่จริง อ, อุปโลกและการพูดขึ้นมาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำให้เขาเสียหายบางครั้งแต่ถึงไม่เสียหายก็เถอะคือการพูดออกไปนั้นไม่มีคำสัตว์จริงขาดความเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ถูกกับเขาถูกถูกเราถูกเขาไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สอย่ากโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ศีลข้อที่หสุราเมรยะมัชพพมาการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมาาาาารัยคัญชายาฝิ่นเฮโรอินยาไอยาละทุกอย่างทุกวันนี้มีมากโคงโคงโคเคนสรุปแล้วก็คือยาเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วทำให้สมองของเราปั่นป่วนขาดสติ ในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะขาดสติจะฆ่าใครก็ได้เพราะขาดสติจะขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติจะลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินถ้าจะว่าไปเหมือนกับหลังคาศาลาควบคุมพื้น ทั้งเสาทั้งคานทั้งพื้นทั้งอะไรทุกอย่างออถ้าว่าหลังคาล้วนเสี้อย่างเดียวท่านนะไม่มีหลังคาบ้านเหล่านี้ชะลาหลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ลําบากนี่แหละสินข้อที่ห้าให้พวกเราสังเกตดูให้ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจึงว่าศินห้าเป็นสินคุ้มของโลกทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าผู้มีศินห้า แต่ถึงพวกเราจะรักษาไม่ได้แต่เรากอกเิอทูนศีลห้าว่ามีคุณค่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลห้านั้นน่าเคารพน่านับถือเรื่มใส่แต่ข้าพเจ้ายัางไม่พร้อมแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดคือตั้งใจไว้อยู่ในใจอย่างนั้น เ, เพราะนั้นเราต้องเคารพกติกากฎระเบียบศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าศีลธรรมที่เป็นกฎหมาย บ้านเมืองนี่แหละอันนี้ก็คือที่พวกเราจะรับศีลเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อหรือว่าพระสงฆ์จะต้องอธิบายเรื่องศีลธรรมให้กับพวกเราคณะตรายญาติโยมลูกหลานเพราะลูกหลานทั้งหลายเกิดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการเรียนรู้การศึกษ า, าในศีลธรรม มีแต่การสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์การทำมาค้าขายการทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างอื่น เ, เรื่องศีลธรรมนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะได้อธิบายแนะนำบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาให้พวกเรานำไปคิดดูซิจริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อเอาหลักธรรมคำสอนหลักธรรมคำสอนคือหลักเหตุผลให้พวกเราได้ฟังในเมื่อมีเหตุมีผลแล้ว พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ร่มเย็นเป็นสุขทุกหัวละแหงทุกหมู่ทุกคณะในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทายวันนี้เป็นวันที่ส6หธันวาคมพุทธศักราช2557เจ็วันนี้ท่านโยมหัวหน้าสัปปกการจังหวัดหนองบวัวลำพูถูกหรือเปล่านะกับคณะลูกหลานได้มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อ พอมาถึงหลวงพ่อก็ให้นำให้นำไหว้พระจากนั้นก็สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมทนัยกถาตอนรับคณะลูกหลานทุกคนเพราะลูกหลานทุกคนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อศึกษาหาความรู้วิ ช, ชาความรู้วิ ช, ชาในโลกนี้มีมาก จนนับคะแนนหาประมาณไม่ได้เพราะวิชาอาชีพก็มีเพียงแต่วิชาหมออย่างเดียวพวกเราคิดดูสิว่าหมอตาไม่เก่งหมอหูหมอหูไม่เก่งหมอจมูกหมอจมูกหมอผิวหนังหมอกระดูกหมอตับหมอปอดหมออะไรต่อไม่อะไรเพียงแต่หมออย่างเดียวรักษากายของเราเท่านั้นก็ยังนับไม่รู้กี่หมอแต่ในทางร้านอาหารก็เหมือนกัน ทมอาหารมีกี่อย่างอาหารล้วนแล้วแต่เป็นวิชาความรู้ทั้งนั้นเพราะนั้นวิชาในโลกนี้ท่านเราจะเปรียบเทียบแล้วเราจะพิจารณาดูแล้วมากมายความรู้ของเราก็เหมือนกันเรารู้ในเรื่องนี้แต่เราเอาจจะไม่รู้ในเรื่องอื่นเพราะนั้นสิ่งที่ไม่รู้นะคือเราโง่เข้าใจไหมเออคือโง่แต่เราไม่ยอมโง่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้นะั่นะ คนเขาบอกว่าคือเราไม่รู้เมื่อไม่รู้เราจะว่าอย่างไรไม่รู้ก็ไม่ไม่เข้าใจเพราะนั้นเมื่อไม่เข้าใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นเป็นของเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นพวกเราจะต้องได้รับการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องต่างๆเพราะวิชาในโลกนี้มีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลาย ที่ทำวิชาอาชีพก็เป็นผู้ชำนาญในเก็บในการเก็บภาษีเพราะสัพกรทางหนีทีไล่ทางไปทางมาแต่พวกเราก็รู้ทางกฎหมายกฎหมายทางเก็บภาษีให้กับประเทศชาติอันนี้ก็เป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายมีน้ำใจมีเมตตาเป็นพื้นฐาน เราทำเราทำไปเราทำเพื่อประเทศชาติไม่ไทยไม่ใช่ทำเพื่อเรากฎหมายเขาพูดไว้ยังไงเราก็เดินตามกฎหมายแต่ถึงจะกฎหมายก็เถอะนะแต่ถ้าว่าดูแล้วเขาเป็นคนที่ยากจนพอจะหยวนได้ยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ไประชุมกันประชุมกันเออในเรื่องอย่างนี้เราควรจะทำยังไง เพราะว่าโลกนี้มันต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันแต่นิ้วมือของเราเห็นไหมทั้งห้านิ้วนะทําไมไม่เหมือนกันมันเกิดมาพร้อมเดียวกันเพราะขนาดเดียวกันทําไมไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันจะให้มันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งยากคนหนึ่งจนคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่ ง, งโง่มีมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้ศึกษาเรียนรู้เหมือนกัน ว่าสิ่งไหนควรมิควรอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรอันนี้เขาขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มีแต่แนะนําบอกกล่าลูกหลานให้ใช้จิติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบให้รู้จักเขารู้เขารู้เรารู้ความเหมาะสมถูกต้องให้รู้ในรู้จักการสถานที่บุคคลกาละเทตะบุคคลบุคคลเช่นนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไร ในชนกลุ่มนี้ควรจะทำจัดการหรือดาเนินการอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าพวกเรารู้จักกาละเทศการสถานที่บุคคลแล้วพวกเราจะดำเนินชีวิตของพวกเราหรือกิจการของพวกเราหรือหน้าที่ของพวกเราจะไปได้ดีและถูกต้องแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่มุ่งมั่นอย่างเดียวมีแต่เอาชนะละลาน ซึ่งกันละกันแล้วโลกทั้งโลกหรือกิจการของเราก็จะจะมีอุปสรรคอุปสรรคนานักปักการไลยเรื่องหลายราวเกิดขึ้นในในเรื่องหน้าที่การงานของพวกเราเพราะฉนั้นขอให้ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนรู้จักยืดหยุ่นสรุปแล้วรู้จักแข็งรู้จักอ่อนรู้จักสิ่งควรไม่ควรากาลเทสะ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้คือหน้าที่การงานแต่ถึงยังไงลูกหลานก็ได้เรียนได้ศึกษามาแล้วในวิชาอาชีพและ ว, วิชาการดําเนินเรื่องกฎหมายหรือว่าหน้าที่ของพวกเราหลวงพ่อไม่สามารถที่จะก้ามกายล่วงล้ําหรือว่าแนะนวเพียงแต่ว่าเพียงแต่ บอกกล่าวว่าเออให้ลูกหลานทั้งหลายอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้รู้จักกาลเทศะบุคคลนะหลวงพ่อเตือนได้เพียงแค่นี้แต่ลูกหลานจะดำเนินการอย่างไรนั่นอันเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนเพราะหน้าที่นี้หน้าที่ของลูกหลานทำเลยถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นถ้าจะว่า เป็นดาบสองคมจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดทั้งให้โทษทั้งให้คุณให้คุณก็คือให้คุณกับประเทศชาติส่วนรวมแต่ให้โทษก็บางค้างก็เราอาจจะหนักหนาเกินไปอย่างนั้นใชไ่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับลูกหลานทุกคนให้มีคุณธรรมศีลธรรมในจิตในใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้ก็คือหน้าที่การงานแต่ถึงยังไง พวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาิโยมลูกหลานทั้งหลายอันนั้นคือวิชาอาชีพที่พวกเราจะดำเนินเลี้ยงชีวิตของพวกเราไปถึงจุดหนึ่งจุดจบแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในหลักธรรมของคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเพราะว่าในตัวของเรามีอยู่สองในตัวของเราทุกๆคนมีอยู่สองอยู่ในนี้ ในร่างกายของเรากับใ น, ในตัวของเราเนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไปค้นคว้าศึกษาไปศึกษาในเรื่องนี้แนะ่ะในเรื่องมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ยไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าในตัวของเรามีอยู่สองคือกายกับใจกายกับใจกายก็คือร่างกายส่วนจิตใจนั่นก็คือตัวผู้รู้นามธรรม นามธรรมเนยะคือจิตใจแต่พวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้เขาพิสูจน์ได้แต่ว่าสมองสมองอยู่ที่หัวของเราแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมองนะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันตั้งอยู่ในสมองในหัวของเราแต่คนที่มาใช้สมองนะ่คือใจคือนามธรรมจุดนั้นวิทยาศาสตร์มองไม่เห็น ตามไม่รู้ในจุดนั้นแต่พระพุทธเจ้าทท่านไปค้นคว้าศึกษาท่านท่านมองเห็นได้เหมือนกับพวกเราไปกดคอมพิวเตอร์ใช้น่นะนะคอมพิวเตอร์ก็คือความจําแต่คนที่ไปกดคอมพิวเตอร์นี่ฉลาดหรืองโง่ฮะแต่เนี่ยความฉลาดหรืองโง่ทําไมมันต่างกันความจําและความไม่จําท่านบอกว่าคนที่เอฉลาดหรือจํานั่นคล้ายๆว่าคนมีบุญเก่าเหมือนกับคนมีเงิน คนมีเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์อย่างดีไปของนั่นของทอี่ของแท้แต่ว่าคนที่ไม่มีเงินไปซื้อของที่เขาทําเทียมเรียนแบบเอามาใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ใช้ได้แต่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคนเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันเพราะเหตุว่าบุญเก่านำพามาเกิดเพราะนั้น เรื่องของพุทธศาสนาในท่านบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างในตัวของเรากายกับใจใจกับกายเนีถ้าว่าพวกเราเข้าใจในจุดนี้แล้วนะเราคือจึงจะเข้าใจว่าเราจึงมีศรัทธาหรือดําเนินการอย่างอื่นต่อไปถ้าเรายังแยกจุดนี้ไม่ออกเนีเราจังแยกในตัวของเราไม่ออกเราถ้าไม่เชื่อจุดนี้แล้วก็ไม่เชื่อจุดอื่นไปเรื่อยๆ อ, อีกเหมือนกัน ถ้าเราไม่ถ้าเราจะเชื่อจุดนี้เราจะเชื่อโดยเหตุผลอันไหนอันใดถึงจะมีเหตุผลที่ทําให้เชื่อได้เชื่อถือได้นี่พระพุทธเจ้าออบรมครูของพวกเราที่ท่านไปนั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพท่านนั่งขัดสมาธิเมื่อท่านสมาธิใจพระไทยของพระองค์รวมสงบนิ่งพอรวมสงบนิ่งแล้วท่านรู้ได้ว่ากายกับใจนามธรรมคือใจรูปธรรมคือร่างกาย ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือร่างกายเหมือนกับรถเต่จิตใจของเรานำมรรมเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยคนขับถ้าคนไม่ขับรถคันนี้ก็ไปไม่ได้แต่ทำไมบางทีรู้สึกอยู่แต่ทำไมไปไม่ได้รถคันนั้นมันเสียมิเตติดเครื่องไว้สายพันหรือว่าตัวไหนที่ มันที่นําไปเนะี่ยมันเข้าเกียร์ไม่ได้เอมันมีแต่ติดเครื่องเฉยๆเพราะอะไรเพราะรถมันเสียละเริ่มเสียนี่แหละอพอได้สุดรถก็ดับเมื่อรถดับแล้วทําไงนา ม, มาทําคือตัวผู้รู้โซเฟอร์จะไปฟ้อรถอยู่ก็ไม่ได้ไปนั่งฟ้อรถตายไม่ได้โซเฟอร์ต้องหนีออกจากรถ เมื่อนี้เราจะลถไปที่ไหนในหลักธรรมคาสอนเอกไปหาเกิดวิญญาณตรงนี้ไปเกิดไปเข้ากับท้องช้างม้าวัวควายหมูห ม, Ł, มาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ราชาญก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้สุดแท้แต่บุญบาปกรรมที่ตนได้กระทาไว้พอเหตุว่าพรอเราทําเมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่เราทำำํากรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อคิดดีทดําดีพูดดี กรรมดีจะตามให้ผลถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลให้ผลในปัจจุบันนกรรมอีกต่างหากในภพนี้ชาตินี้ก็เถอะนะถ้าเราคิดชั่วแล้วก็ทําชั่วแล้วก็พูดชั่วคนนั้นะก็จะต้องกิดติดุกติดตารางหรือเป็นที่ติดฉินดินทาเป็นอย่างน้อยเพราะอะรพราะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพวกเราจำเอาไว้ถ้าพวกเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นถ้าเราคิดดีทำดีพูดดี กรรมดีให้ผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเนะนี่แหละให้พอเราศึกษาเอาไว้นยะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวแนะนำเอาไว้สรุปแล้วก็คือโซเฟอร์นะอย่าคิดอย่าทำความชั่วส่วนรถคันนี้นะเออเรว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะใจก็คือตัวโซเฟอร์เออมโนปุพัง คำมาทำมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็ว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นให ญ, โใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นขับรถโซเฟอร์หักพวงมาลัยเหยียบคันเร่งลงคลองตกเหวก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็ได้เพราะอะไร เพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีนี่แหละนี่คือหลักธรรมออท่านแยกให้ออกว่ากายกับใจทีนี้โซเฟอร์ตัวนี้แหละอย่างพวกเรามาวันนี้มาอบรมโซเฟอร์มาอบรมใจเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรถ้าพวกเราเอาศีลธรรม คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจแล้วใจของเราก็มีศีลมีธรรมโซเฟอร์เป็นผู้รับรู้เป็นผู้เรียนรู้มีศีลมีธรรมในจิตในใจแล้วจะคิดจะทําอะไรเหมาะสมไหมถูกต้องไหมขับรถชนคนนี่เได้ไหมขับรถชนคนคืออะไรพอเราเห็นกับโมโหละเใช้คำปั้นไม่ตีนเตะตีนต่อยบ้างอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้แหละคือรถของเรา โชเฟอร์ so for, ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นได้ทั้งนั้นถ้าว่าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจะได้ยาทำที่เดียวมันไม่ควรนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขานะเรานะอย่างที่หลวงพ่อที่พูดสินห้าเนี่ยเขานะเรานะเรานะเขานะเราตรงกันไหมถ้าเขามาต่อยเตะ ต, ตีเรานะ่ยอย่างเนี้ยที่เราไปทําให้กับเขานะ่ะดีไหมไม่ดีไม่ดีเราอย่าทําเมื่อเราทำเขาไปแล้วไม่ดีเราไปทําให้กับเขาก็ไม่ดีเมื่อเขาทํากับเราก็ไม่ดีนะ นี่แหละคือคนโซเฟอร์มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วจะสำนึกได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูตนเองดูกายดูใจของตนเองทีนี้มาพูดถึงทำไมเราจะดูกายดูใจเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรเนี่ย ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนะั้นน่ะท่านนั่งคัดสมาธินะนั่งเหมือนพระประธานพระประธานหลวงพ่อที่นั่งอย่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวิธีลานการนั่งสมาธินะ่ะลูกหลานคณะสัตา ย, ยาติโยมหลวงพ่อจะแนะนําขั้นตอน ให้เป็นขั้นตอนแต่พวกพูดเพียงแค่ใ น, นพวกเราก็พอจะมองภาพออกแต่หลวงพ่อจะแนะนําแนวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นที่เป็นปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานที่เป็นที่มีลูกศิษย์จะเป็นหลวงตามหาบัวก่อใจหลวงปู่ขาวก่อใจหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างต่าหลวงปู่ชอบมากมายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนสิทธิอนุสิทธิเหล่านั้นที่เป็นพระเถระมหาเถระเหล่านั้นท่านสอนอยังไงหลวงปู่มั่นท่านสอนนี่แหละ เ, เวลาเราจะหลับจะนอน เ, ออเราจะหันศีรษะไปทางไหนไปสจีษะไปข้างบนเราก็ไหว้พระซะก่อนออนั่งคุกเข่าซะก่อนนั่งพับเพียบกราบพุทโธธรมโมสังโฆ คือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพุทโธธ ร, รมโมสังโฆคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วจะแปลจากนั้นก็ไปได้ประกาศพระธรรมออกมาที่เป็นให้เป็นเราเป็นที่ยอมรับคือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคือศีลห้าเนี่ยทำ ม, มังสงังขัง ก, ก, ก็คือพระสงฆ์สาวก ที่นำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาดังนั้นเรากาบพุทธโธธรรมโมสังโฆเราไม่ใช่กาบแลกาบลมกาบแแล่ะนะเออให้นี่ว่าเรากาบเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะกาบไปที่ไหนก็เถิดถึงจะคนผ่านหน้าเราก็เถิดเราไม่ได้กราบคนถึงเราจะไปกาบไปที่หมอนเราไม่ได้กราบหมอนถ้าเรากาบพระพุทธรูปทองเหลืองก็เหมือนกันเรากาบพระพุทธรูป องที่พผลอยู่เราอยู่ต่อหน้าเราไม่ได้กาบทองเหลืองนะเรากาบพระคุณของพระพุทธเจ้าในเมื่อเรากากกระดูกพ่อแม่ของเราเหมือนกันเห็นกระดูกแข้งนลยเออเรากราบกระดูกเราไม่ได้กากกระดูกแห้งเราก่าพระคุณของพ่อแม่กระดูกนี่แหละที่ได้เลี้ยงดูเรามาเออที่ให้ข้าน้ําโภชนาอาหารมากระดูกนี่นหะเป็นพระคุณของพ่อของแม่ของเราที่ให้พระคุณกับเรา เนี่เรากาบพระคุณเราไม่ได้กราบกระดูกไม่ใช่ว่าท่านคนโง่ใช่ย่างนะเอ้กาบทําไมกระดูกเฉยเฉยกาบทําไมทองเหลืองทองแดงฮะแปลว่าความคิดสั้นความคิดโง่ฮะถ้าคิดให้ยาวแล้วเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดถึงพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราที่ได้รักเคารพนับถือและกกาบพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูเหมือนกันเรากาบพระคุณของท่านไม่ใช่กาบ อย่างอื่นถ้าเราเรากล่าว ก, กระดูกถ้าเห็นกระดูกอยู่ที่ไหนก็ในถ้วยในชามกระดูกหมูกระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกปลาแล้วก็กาบอย่างพวกราบกระดูกใช่เนีมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าเห็นทองอยู่ที่ไหนทองเหลืองทองแดงอยู่ตามร้านตลาเห็นปูมันจะเป็นอย่างไรเห็นก็กาบถ้าไม่ว่าบ้าว่างโง่ก็จะว่าอย่างไรอีกแต่นี้เรากราบคํานี้นะกล่าบระลึกถึงพักคุณพักคุณของผู้มีอุปกรณคุณนะ แล้วนั้นเรากาไปที่หัวนอนของเราก็กาบพระคุนคือพุโทโธธ ร, รมโมสังโฆกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราคือกาพระคุณของท่านจากนั้นเราก็เมื่อกราบเสร็จแล้วก็กล่าวอลหังสวากาโตสุ ป, ปฏิปโนสัสนรเสริญก็ได้จากนั้นก็นโมตัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ หรแล้ว่าพุทธทางทำมังสังขังสัตนางคัจฉามิก็ได้ก็สุดแท้แต่พวกเราจะสวดอันไหนได้นะถ้ามันสวดอะไรไม่ได้กับพุโทโธธรรมโมสังโฆเพียงแค่นี้ก็พอจากนั้นเมื่อกราบเสร็จแล้วก็กราบสามครั้งเสร็จแล้วเราก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอันนี้หนึ่งแนวปฏิปทาของหลวงปู่ลกตาแนะนําสั่งสอนนะคณะทายาติโยมลูกหลานหลวงพ่อจะเรียงลาดับให้พวกเราได้ฟัง นำไปประพฤติปฏิบัติได้เลยนะ เ, เมื่อกาพระเสร็จลแล้วเราก็หันหน้าไปทางหมอนของเราอยู่ในที่ท่าสงบนะในขณะที่นั่งภาวนาให้ปิดโทรศัพท์ปิดวิทยุปิดโทรทัศน์อยู่ในมุมสงบอยู่ในมุมสงบคนเดียวหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ก็สุดแท้แต่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ขัดสมาธิก็ได้เ อ, อนั่งพับเพียบก็ได้ อ, อจากนั้นเราก็ กำหนดประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกปนมคือมือขึ้นระหว่างไหว้ครูซะก่อนเพราะการที่จะนั่งภาวนาและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้บอกกล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวพวกเราจึงรู้ได้ว่าวิธีการปฏิบัตินั้นทําอย่างไรเพราะนั้นถึงไหว้ครูซะก่อนข้าพเจ้าขอกราบไหว้ขอนอบน้อมผู้ที่มีพระคุณสำหรับข้าพรเจ้า จะบอพุโทโธธรรมโมสังโฆเมื่อไหว้พุโทโธธรมโมสังโฆสามจบแล้วเอามือลงพอเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราแผ่เมตตาอีกก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพระเจ้าปราถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเถินอันนี้คือแผ่เมตตาแบบพรวบรัตจากนั้นก็พอเอามือประสานกันหายใจเข้าบัญกำหนดลมและนะทีนี้นะหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทให้มีสติสัมปะชัญญะที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกถ้าอุปมาอุปไมย่็ว่า เหมือนเราไปยืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาในศาลานี้เราก็รู้ว่าคนเข้าแต่ไม่ต้องตามไม่ต้องตามคนเข้ามาแต่เมื่อตามลมออกไปเราก็รู้ว่าลมออกไปแต่ไม่ต้องตามลมออกไปยืนอยู่ข้างประตูรู้ว่าคนเข้ารู้ว่าคนออกนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเราก็รู้ว่าลมเข้าเข้าผ่านจมูกเข้ามาในท้องในปอดของเรา แล้วจากนั้นลมก็ออกไปก็รู้ว่าลมออกนี่มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ ว, วิธีการกําหนดลมจากนั้นเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นไม่ให้เผลอเพราะมันเผลอดึงกลับคืนมามันเผลอเพราะอะไรตั้งสติให้เข้มแข็งกันอีกดูอีกไม่ให้เผลอจากนั้นใจใจของเรามันไม่เผลอใจของเราก็ จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่ากายกับใจมันอาศัยกันอยู่เป็นคนละคนละอ่านกันใจกายกับใจเห็นได้ชัดกายก็คือส่วนหนึ่งใจก็คือส่วนหนึ่งเป็นคนละอ่านกันแต่อาศัยกันเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยละครที่จะทําถึงจุดนี้ได้บางทีก็มันก็ทะเลาะทะลาะ พอกำหนดลงมันรู้ว่าหายไปนะหายไปไห น, หไหนต้องเราก็ต้องพยายามบริกรรมให้ทีโดยสิเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ทีแรกก็กรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่นี้บัด น, นี้เราบริกรรมพุทโทพุทโธพุทโทพุทธโทพุทธโตให้สมทับอยู่ในความรู้สึกนั้นนั้นไม่ให้มันเผลอเอาอย่างนี้ดีไหมได้ไหมไม่ให้มันเผลอเผลอยังเผลอไหมแต่ท่านี้เมื่อมันเผลออยู่ มันยัง ม, มีช่องออกอยู่หลวงพ่อเคยแนะนำแนะนำผู้ปฏิบัติใหมเ่เวลาหายใจเข้าให้เรานับนะเออพราะเราเคยนับเอออย่างทีย่ยางพวกเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเงิ น, นต้องนับหนึ่งยุบทุกวี่ทุกวันหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าห ก, หกเจ็ดแปดเก้าสิบคือหายใจเข้า เป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอกลับมาอีกขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยสองสามครั้งหรือีสา ม, ส, ามสี่ห้าครั้งก็ได้ถ้าไม่เผลอเอากลับมาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราต้องเผล่แน่แน่มั่นเผล่เผลอยังไงเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ พอมันเผลอเบ อ, เบอร์เข้าไปหน่อยเดียวมันจะหายเขา่าหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่เอีที่แรกมันก็คี่คู่คี่คู่ต่อมามันก็คู่คี่ที่ไหนเ น, นมันจะสลับกันอย่างนั้นให้สังเกตในเมื่อสังเกตเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราอย่างน้อยก็เป็นอัลไซเมอร์อย่าง ม, มากกว่านั้นก็คงจะเป็นบ้าเป็นบ่นบอพวกขาดสติเพราะนั้นการฝึกสติให้อยู่กับตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมาก เหมือนกับรเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอาฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เห็นว่าหลวงพ่อจะแนะนําเพียงวิธีการเท่านี้สัก่อนแล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วทำยังไงในเมื่อเราทําสมาธิเป็นสมาธิดีดแล้วจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจสงบไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่สานสติอยู่กับตัวเองในเมื่อเรา ภาวนาพอสงควรแล้วก็เราก็ปนมือขึ้นระหว่างกอก เ, ออเสร็จแล้ว เ, เราก็อุทิศส่วนกุศล ว, ว่าข้าพปเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ขออุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติเมตสหายเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วข อ, ขอให้มีความสุขริ่ๆขึ้นไป ตลอดถึงหน้าที่การงานของพวกเราอญาติโกโหติกาที่ทําการงานเขขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้มีอุปสรรคนานับประการด้วยบุญกุศลที่เขาไป้าวใดบาเพ็ญมามอบให้แก่พวกท่านดวงวิญญาณหรือท่านเหล่านั้นจากนี้ก็เราก็ออกจากสมาธินี่แหละถ้าเราทําได้อย่างนี้แปลว่าใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราจะไม่ร้อน อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่เป็นอริศัตรูซึ่งกันและกันเพราะอะไรเพราะพวกเรามีเมตาตาต่อกันเขาเราเขาเราอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะไม่รู้ว่าใครละ่ะอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้จำจากจำใจจากกันอันนี้แหละโลกอันนี้โลกอันนี้จังของไม่เที่ยงแท้แน่นอนในหลักธรรมคาสอนเพรา ะ, ะนั้นการอยู่ด้วยกันทุกคนผู้น้อยผู้ใหญ่ ต้องให้ครบซึ่งกันละกันผู้ใหญ่เหมือนกับสังกษสีอารูซิ่งบนหลังคาผู้รองลงมาก็คือข้าวจันทันคือเสาพื้นมันเป็นลำดับศาลาหลังนี้จะัตว่าอารูซิ่งสำคัญที่สุด ก็ไม่น่าจะใช่เออถ้าข้าวแข็งข้อขึ้นม า, าเอาถ้าอาลูซิ่งดีจริงข้าวพรเจ้าเป็นข้าวไม่รับอาลูซิ่งก็อยู่ไม่ได้ในเมื่ออาลูซิ่งอยู่ข้าวอยู่แต่จันทันไม่รับข้าวไม่รับอาลูซิ่งลังคาก็อยู่ไม่ได้คือก็สาคัญเสาก็สาคัญพื้นก็สาคัญเพราะนั้นการในสานักงานของพวกเราจึงจะเป็นคนตัดหญ้าเป็นคนกวาด สํานักงานเป็นคนดูแลความสะอาดทุกคนเป็นคนสําคัญด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นให้ดูกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ก็ให้พวกเราเคารพผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นผู้มีผู้ดูแลพวกเราในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้รองลงมาก็ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันผู้น้อยก็ให้เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให ดูแลผู้น้อยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพึ่งพาอาศัยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนวงศสรตฉาคณะญาติความคุ้นเคยวิสาสะประมาณญาติความคุ้นเคยซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งเพราะนั่นกอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าเอาศีลธรรมเข้านํามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข แต่มถ้าเอากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโหโมกณะเข้ามาควบคุมดูแลเข้ามาปกป้องปกครองซึ่งกันและกันแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายรั้นการกล่าวสัมโม ท, ทนิยกถฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพภศษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองขอพวกเราจงประสบ